มันก็ต้องพยายามจําแนกว่าเออพานเนี่ยถ้าเข้าใจก็เว้นจากคนพานแต่ถ้าไม่รู้จักลักษณะก็คบคนพานไอ้อะไรเสียเราก็อัปมงคลจะเริ่มเข้ามาใช่ไหมคบคนพานห่างบัณฑิตบูชามาหาโจรเนี่ยนะจะเริ่มเข้ามาอย่างนั้นนะคบคนพานบูชาบัณฑิต อ, อะไรนะคบคนพานห่างบัณฑิตบูชามาหาโจร โอ้ยปฏิรูปประเทศไม่เอามันต้องแบบน้นสถานที่มันโหดร้ายเนี่ย น, นะจึงจะโปรดปรานโอ้ยอยู่ที่ไหนต้องทําบาปไว้เป็นนะเป็นสั ญ, ญลักษณ์เครื่องหมายมันต้องจังตั้งจิตไว้เป็นผูกพยาบาทผูกอาคาดแขนเนี่ยม่ต้องไปเรียนมากไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรเนี่ยนะไม่เห็นต้องทําอะไรเลยนี่ะไม่สนใจเรื่องเป็นพหูสูตรศิลปะเนี่ยนะวินัยไม่ต้องไปเรียนรู้ อ, รยรอยากทําทอะไรทําไปเลยเนี่ยนะ พูดอะไรก็ได้ที่เราอยากพูดเป็นต้นเพราะแม่เหรอเออท่านทําเราเกิดท่านต้องเลี้ยงเราเนี่ยนะก็เริ่มเริ่มคิดแนวความคิดของคนพานจะอัปมงคลทุกข้อเนี่ยนะจะเริ่มอัปมงคลไล่ไปทุกข้อในที่สุดก็จะแยกไม่ออกและอะไรควรไม่ควรอะไรทําเพราะความฉลาดอะไรทําเพราะไม่ฉลาดอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรโทษหนักอะไรโทษเบาอะไรโทษที่แก้ไขได้และ แก้ไขไม่ได้อะไรเป็นเหตุอะไรไม่ใช่เหตุไม่รู้สักอย่างเนี่ยนะเพราะไม่รู้จากลักษณะดีชั่วแล้วเนี่ยนะเขาเรียกว่าวิจารณญาณวิบัติ น, นะวิบัติทางปัญญาเนี่ยนะวิบัติทางอะไรทางทัศนคติเปรียบเหมือนคนหลงทิศเนี่ยนะคนที่มีวิจารณญาณวิบัติก็ลักษณะเดียวกันจําแนกแยกแยะไม่เป็นเรียกว่าบอดตาสายแยกสีขาวสีเหลืองไม่ออกแยกแยกมิตรแยกศัตรูไม่ออ ก, ก, ก, ก, ออกเหมือนนักรบในะเข้าไปในสงครามไย เข้าไปถึงก็บแบกอาวุธเต็มพิกัดเลยนะไม่รู้ไอ้ไหนพวกเราไหนพวกเขาลงทิศไปอีกเนี่ยนะถามว่าอาวุธจะยิงไปหาใครล่ะคะเนี่ยเอาไปเอามาก็กลายเป็นว่าตะทุสร้ายแต่พวกของตัวคนพาลทั้งหลายก็เหมือนกันเนี่ยนะรักษาน้ําใจเพื่อนฝูงทําลายน้ําใจพ่อแม่ไว้ก่อนเป็นอันดับแรกเนี่ยนะพ่อแม่ช่างท่านเธอเนี่ยนะท่านอายุมากแล้วเนี่ยเอาใจเพื่อนเราไว้ก่อนเป็นต้นในที่สุดมันอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะพัน ภิกษุทั้งหลายก็เหมือนกันเนี่ยนะอุปชาอาจารย์ที่หวังดีปรารถนาดีก็ไม่เข้าใจไปเอาใจแต่ตามใครก็ไม่รู้เนี่ยนะซึ่งแยกไม่ออกเลยว่าบุคคลเนี่ยเป็นคนในาศาสนาหรือเป็นคนนอกาศาสนาอาจารย์เราเนี่ยศักแต่ว่าอาจารย์หรือว่าไม่ใช่อาจารย์ที่จริงแท้ก็แยกไม่ออกไม่แยกไม่ออกเราจะเลือกคบใคร ก็เลิกคบเลือกคบพระให้หวย เ, เป็นต้นเนี่ยนะก็เลยกลายเป็นว่าตัวเองก็ไม่นานปั๊บเดียวเป็นอาจารย์ให้หวยตั้งนานแล้วเนี่ยนะเป็นอาจารย์อะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะเพราะในที่สุดเนี่ยอนาคตศาสนาจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะบวชไปบวชมาก็เนี่ยแหละโอ๊ยถ้าเราไม่ไปอบายแล้วใครจะไปเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะคบคนพ่านอย่างบริบูรณ์ในในสูตรนู้นอนังคณะสูตรใช่ไหมเกเรวัฏถาทองสำริดที่เปื้อนแล้วเอาไปวางไว้ในที่ที่ไม่ สมควรอีกฉันใดผู้ที่บวชเข้ามาในาศาสนานี้ก็เหมือนกันถ้าแยกจำแนกแยกแยะไม่ได้ว่ า, าที่ไหนควรร่ําเรียนควรศึกษาควรเรียนรู้อันไหนมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์ถ้าวิจารณญาณนิบัติขนาดนี้แล้วจะหาความเจริญได้จากที่ไหนเนี่ยนะมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นภิกษุนั้นก็ไม่สามารถจะเจริญ อธิศีนอธิจิตและอธิปัญญาเมื่อเจริญศีลไม่ได้ศีลก็ไม่เจริญเมื่อเจริญจิตอธิจิตไม่ได้สมาธิจิตก็ไม่เจริญเมื่อปัญญาไม่เจริญเป็นต้นศาสนาก็เสื่อมเพราะเสื่อมจากศีนนั่นแหละคือเสื่อมจากศาสนาเสื่อมจากสมถาวิปัสนาเสื่อมจากข้อปฏิบัติตามคําสอนนั่นแหละก็เสื่อมจาก ศาสนามันตัวเองก็เสื่อมจากอธิสีนอทิจิตอธิปรรัญญาเสื่อมจากกองแห่งศีลกองแห่งสมาธิกองแห่งปัญญากองแห่งวิมุตติวิมุตติยานัจนะเสื่อมจากสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นเหมือนนายโคบานผู้โง่เขลาเสื่อมจากฝูงโคเนี่ยเพราะอะไรเพราะไปต้นเอาโคคนอื่นมาเลี้ยงโคของตัวก็าหายไปหมดวันหลังก็ถูกฟ้องร้องว่าไปขโมยโคเข้ามาหมดตัวอะไรคะเนี่ย น, นะ เพราะฉะนั้นเขาก็จะเสื่อมจากเป็นจกโครถอันนี้ข้อที่สองก็คือคนโง่ที่ไม่รู้จักคนโคนายโคบานที่ไม่รู้จักลักษณะโคของตนลักษณะโคของคนอื่นกับพิสูจน์ผู้โง่เขลาไม่รู้จักลักษณะของผานและลักษณะของบัณฑิตแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นกุศลอกุศลมีโทษไม่มีโทษอะไรแก้ไขได้แก้ไขไม่ได้อะไรเป็นเหตุและอะไรมีใช่เหตุเนี่ยนะวันนี้เราต้องพยายามที่จะต้องระวังเนี่ยนะทั้งความ วิจารณญาณที่ถูกต้องที่เราจะต้องอถือเอาเป็นมาตรฐานนี่ว่าอย่างไงถ้าโดยใจจริงก็บอกว่าเอาคําสอนนั่นแหละเป็นเครื่องตรวจสอบเนี่ยนะวิธีเบื้องต้นเลยเนี่ยนะอย่างที่เราจะทําอะไรสักข้อหนึ่งเลยเนี่ยชีวิตวิธีชีวิตของเราเนี่ยหนึ่งสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเข้ามงคลข้อไหนบ้างเอาคิดง่ายๆเลยเมงคลสามสิบแ38ดท่องไว้เลยเนี่ยเอ้าเนี่ยไปหาเพื่อนนัดเพื่อนไว้เจอกันคนหนึ่งนัดกันพบกันสิบเที่ยงเนี่ยไอ้นั่นมันได้มงคลกี่ข้อแล้วมันได้อัปมงคลกี่ข้อ ถ้าไม่ไปอางงานมันอากรูนไหมอากูลก็คือปฏิกรูน่ะถ้าเราไปแล้วมันเสียงานไม่อะไรไหมคือจําแนกให้ดีเนี่ยไล่ให้มันครบสามสิบแปดดูเถอะมันควรไปหรือว่าควรห่างเนี่ยนะเขาบอกว่าในในสูตรหนึ่งอะพระพุทธจเจ้าตรัสอย่างไงเอาชาดกะนะพระองค์ยกถึงข้อความในชาดกคนพาลทั้งหลายไม่นับว่าเป็นญาติฟังกันนั่นโดยที่สุดแม้กระทั่งเลือดเนื้อเชื้อไขเป็นต้นถ้าเป็นพาลแล้วไม่นับว่าเป็นญาติ เนี่ยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตั้งคนพาลให้มีตำแหน่งใหญ่ตัวอะไรเถึงจะเป็นญาติก็ช่างเถอะในในในชาดกท่านว่าไว้อย่างนั้นนะในวิทูลบันดิตนะไปดูในในวิทูลชาดกเนี่ยท่านท่านสอนลูกท่านไว้ดีมากมันก็ต้องแยกให้ดีสิ่งที่เราทำดูสิมันเข้ามงคลกี่ข้อแล้วมันอัปมงคลกี่ข้อ แล้วชีวิตวันนี้ตลอดทั้งวันเนี่ยมันได้มงคลกี่ข้อและอัปมงคลกี่ข้อแล้วตารางงานพรุ่งนี้มีอะไรบ้างได้มงคลกี่ข้อแล้วก็อัปมงคลกี่ข้อถ้าปฏิบัติตามมงคลครบถ้วนกระบวนความแล้ไม่เจริญน่ยนะแสดงว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่สัพพันธ์อยู่แต่เชื่อเหรอไม่เป็นอย่างนั้นแน่นอนพระพุทธเจ้าเป็นสัพพันธ์อยู่พระองค์วางเหตุแห่งความเจริญไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วล่ะท่านวิตารางชีวิตของเราแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยนะเอามงคลเนี่ยมาเช็คดูว่าเนี่ยนะ ท้ายที่สุดเนี่ยวันสุดท้ายที่โบกมือลาโลกเนี่ยนะมันโบกไม่ไหวแล้วนะจริงมันโดกไม่ขึ้นแล้วนะแล้ววันนั้นเนี่ยเราขอคิดถึงอะไรจิตใจจะเป็นยังไงนะอ่าพุทธะโลกธรรมเมหิตจิตตังยสานกรรมปฏิอโศกังวีรชังเขมังเอตมังคารมุตตะมังเนี่ยนะใจเราเป็นอย่างนั้นไหมหนึ่งจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมเลยอันนมาเช็คดูนะลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศนินทาสันเสริญสุขทุก อันนั้นวันสุดท้ายเนี่ยเราจะหวนไว้ในโลกกระทำขนาดไหนสองเนี่ยนะอสอกังเนี่ยนะสะอื่นในอกบ่อยบหรือว่าแหมปลื้มเนี่ยนะก็ดูว่าแหม่สะอื่นในอกเนี่ยนะโศกก็คือสะอื่นในใจอยู่เรื่อยเรื่อยนง แมมชีวิตของเราเนี่ยมันคับอกคับใจแค้นอกแค้นใจสะอื้นอยู่ในใจตลอดหรือทุลีราคะโทสะโมหะในแม่ใจทำไมมันเกลือกกล้วเศร้าหมองเหลือกเกินเหมือนผ้าไม่เคยซักมาเลยตลอด4ี่หปีเนี่ยนะเป็นใจที่ไม่เคยซักเปื้อนด้วยละอองคือราคะเป็นต้นอย่างนั้นไหมแล้วสุธ ะ, กะเกษมหรือว่าผวาชีวิตผวาหรือว่ากเกษมเขมังเนี่ยกเกษมแปล ว, ว่าปลอดภัย ใจเนี่ยปลอดภัยหรือว่าใจเนี่ยหวั่นผวาอยู่เสมอผวาเลิกเกินเนี่ยได้ข่าวคนตายปั๊บสะดุ้งเฮือกเลยเนี่ยนะพอตรวจเข้าบอกเอา้ามีก้อนอันหนึ่งเออสะดุ้งเฮือกอีกแล้วบอกว่าคุณไขมันไปไนั้นออกสะดุ้งเฮือกคือตรวจดูอะไรแล้วมันสะดุ้งไปทุกเรื่องไปหมดเลยเนี่ยนะคนนั้นก็ตายแล้วก็สะดุ้งอีกแล้วเนี่ยนะโอ้ยคิวของเราใกล้เข้ามาแล้วถ้าอย่างนี้ก็อัปมงคลมาตลอดเลยละชีวิตนี้เนี่ยนะแต่ถ้าตรวจดูแล้วแหมโรคกระทำตัวไหนเนี่ยนะนะก็ไม่หวั่นไหว นะไม่ห ว, วั่นไหวในโลกธรรมมีจิตใจที่ไม่เศร้าโศกทุลีคือราคะโทสะโมหะไม่เกลือกกลัว้วแล้วก็จิตกเกษมปลอดภัยเนี่ยนะอันก็เอามงคลเป็นต้นมาตรวจสอบเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่เบื้องต้นว่าวิถีชีวิตเราดําเนินอย่างไรเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะเอาวันสุดท้ายมาคิดเหมือนกันนะนะบรรทัดสุดท้ายใช่ไหมเอาบรนทัดสุดท้ายมาคิดตอนไหนตอนจากโลกเนี่ยเอาบรรทัดนั้นอนะ่ะทีนี้ถ้าแห ม, แม ดูแล้วถ้าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยนะผลลัพธ์สุดยอดของชีวิตเนี่ยนะเอ๊ะไม่ดีแสดงว่าพิชิตมันวิบัติตั้งแต่วันนี้แล้วล่ะตอนนั้นมันจึงไม่ดีแล้วมันแก้ไขได้ไหมล่ะเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ก็ต้องเปลี่ยนแก้ไขได้ก็ต้องแก้ไขถ้าไม่แก้ไขล่ะใครเนาะคือคนทานกันเนี่ยไม่รู้ว่าโอ้โหที่เราทานตลอดแต่สําคัญว่าเป็นบัณฑิตตลอดกาลเนี่ยนะเพราะอะไรอ้าวเพราะได้ปริญญาบัณฑิตมาแล้วเนี่ยเขาเรียกบัณฑิตมาตลอดแล้วนะบัณฑิตรั้วไหนมาล่ะเขาว่าไปเนี่ย นั้นจบอภิธรรมบัณฑิตหรือยางว่างั้นนะเขาให้ได้เรียนอภิธรรมว่าบุญแล้วว่างั้นนี่ข้อต่อไปเนี่ยนะข้อที่สามบอกว่าคนคนเลี้ยงโคนายโคบานผู้โง่เขลาเนี่ยคือพวกไม่รู้จักเขี่ยไข่ค้างออกเสียบ้างไข่ค้างแปลว่าไข่แมลงวันเนี่ยนะภิกษุผู้โง่เขลาไม่เขี่ยไข่ค้างออกเป็นอย่างไรก็คือหนึ่งปล่อยให้กามวิตก คือใจเนี่ยประกอบด้วยกามวิตกความคิดเหล่าใดที่คิดก็คิดด้วยกามวิตกคิดด้วยพยาบาทวิตกคิดด้วยวิหิงสาวิตกหนึ่งเขคิดจะสูบจะเอาสองคิดกโกรธแค้นคนนั้นด่าคนนี้คิดเนี่ยนะเบียดเบียนประทุษร้ายคนนี้แล้วก็เป็นความตรึกนึกคิดที่เป็นบาปอากุศลกรรมเกิดขึ้นแล้วก็ให้มันทับถมอยู่ในใจไม่ละไม่บรรเทา บาปอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นอย่างนี้เรียกว่าไม่เคลียร์ไ ข, ข่ค้างอกคือว่าไม่เคลียร์ไขแมลงวันที่อยู่ในใจเนี่ยนะอธิบายว่าในในหน้า6กสิบเนี่ยนะคนเลี้ยงโคพุงโงกเขากลางมันกลางหน้าบอกว่าณอาสาติกังสาเตอสาเตตาเนี่ยนะความว่าแผลของโคมีในที่ถูกต่อไม้และก็หนามเป็นต้นทิ่มแทง หรือบางทีมันมันใช้เขาเนี่ยขีดกันมันชนกันเนี่ยน ะ, ะมันก็เป็นแผลตามเนื้อตามตัวเขาเมื่อเป็นแผลมแมลงวันหัวหัวเขียวเนี่ยนะก็หยอดไข่แมลงวันไ ข, ข่คางก็คือไข่แมลงวันเอาไว้ที่แผลอันนั้นเสร็จ แ, แล้วก็ไม่ไม่พยายามที่มันมันวางใครเคยเห็นไข่แมลงวันมันวางบ้างไหมอ่า น, นะมันเป็นเยอะเยอะเลยนะคิดว่า อันนะั้นอย่างอาหารเนี่ยจะเห็นชัดในอาหารบางอย่างเช่นปลาร้าตามบรรนอกเป็นตอนเขาวางเอาไว้แล้วก็แมลงวันมาไข่วางไว้เนี่ยเต้ไปหมดแผลบางแผลก็ลักษณะเดียวกันโยมพระเล่าให้ฟังก็มีนายคนหนึ่งนะชายคนหนึ่งไปเกี่ยวญ้าไปเกี่ยวญ้าไปทําอะไรเนี่ยเสร็จแล้วเกี่ยวไปเกี่ยวมามเขามีดบาด ท, ที่แขนเบียดบาด ท, ที่แขนเนี่ยนะบาด ท, ที่แขนพอบาด ท, ที่แขนเขา้แเขาแกก็ไม่สนใจดูแลรักษาแมาลงวันมันก็ไข่ใส พอแมลงวันไข่ายเนี่ยนะมันก็ค่อยๆชอนไอไข่แมลงวันมันก็แปลสภาพจากไข่เป็นหนอนแล้วมันก็เจาะเนี่ยนะแล้วเจาะเข้าไปลึกเลยเจาะเข้าไปในคนเนี่ยคนเป็นๆเนี่ยกรึ๊กกระดเข้าออกเข้าออกเขาก็ไปไปหาหมอไปหาหมอก็ให้บุรุษพยาบาลเขาเนี่ยไปไปเอาออกทํายังไงมันก็ไม่ยอมออกดึงออกยังไงมันก็ไม่ยอมออกมันก็ดีดมันก็เข้าไปลึกแล้วก็ออกเข้าออกเข้าออกนี่ยนะแต่พูดอย่างนี้บอกว่า นี่น่ประเทศเราไม่เท่าไหร่แต่แถวแอฟริกาเนี่ยนะถ้าเคยดูรูปเนี่ยมันจริงๆแล้วมันชอนแบบแหม่ก็ดึบไปึบตามข้างผิวหนังเนี่ยมันเห็นเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยนะมันก็ดึกดึบก็ดึกดึบเหมือนกับไส้เดือนเนี่ยไตายตามตัวเลยแหละพันพวกนายโคบานที่ไม่ฉลาดก็เหมือนกันเวลาแมาลงวันมาไข่วางไว้ที่แผลก็ไม่ยอมเขีย่ยออกเมื่อไม่เขีย่ยออกเนี่ยนะทํำยังไงแผลของโคก็ลุกลามเป็นแผลเน่า ไอ้ไข่ตัวนั้นมันก็กลายเป็นหนอนมันก็ชัใช้ใสเสร็จใช้ไปชัมาก็เป็นพยาธิเข้าไปในท้องเนี่ยนะพวกพยาธิพวกอะไรก็ติดเชื้อพยาธิเป็นโคโคเป็นพยาธิก็เข้าไปในท้องแม่โคเหล่านั้นถูกความเจ็บป่วยไข้ครอบงำก็ไม่สามารถจะเคี้ยวกินเพราะอะไรเพราะตามตัวนี้มันอักเสบไปเยอะนะมันอักเสบก็ไม่สามารถจะกินหญ้าได้ดื่มน้ํำไม่ได้น้ํานมทั้งหลายก็ขาดไปโคก็ถอยกําลังในที่สุดโคก็ สิ้นชีวิตฝูงโคของเขาก็เสือเส่อมไปเสื่อมไปโคก็พร้อมรีดนมโคก็ไม่ได้ในพิ่สุดก็จะแทบจะตายทั้งฝูงเป็นโรคระบาดไปเลยเนี่ยนะในพิ่สุ์เขาก็ห่างไกลาจากปัญจโครดอันนี้เรียกว่าไม่เขี่ยไ ข, ข่ค้างทีนี้ภิกษุผู้โง่เขาบ้าง ในหน้า64นับขึ้น6บรรทัดเนี่ยนะบอกว่าบทว่าณนะอาสาติกังสาเตตาโหติความว่าไม่บรรเทากามวิตกเป็นต้นเลยเนี่ยนะไอ้กามวิตกพยาบาทวิตกวิเหงสาวิตกคือมิจฉาสังกัปปะอันเนี้ยที่มันเกิดขึ้นในใจไม่ต่างอะไรจากไข่แมลงวันพร้อมที่จะฟักเป็นตัวนอนอยู่ในอยู่ในใจเนี่ย น, ะนั่นก็ดิบก็ดิบก็ดิบอยู่ในใจตลอดแหละ เป็นอะไรเป็นกามวิตกมัง่งพยาบาทวิตกมัง่งวิหิงสาวิตกบั้งเนี่ยนะกามวิตกก็คือความตรึกด้วยกามฉันทะนิวอมีใจแพ่งเร็งปรารถนารูปปรารถนาเสียงปรารถนากลิน่นปรารถนารสปรารถนาโพธา ภ, ภาทั้งหลายเนี่ยนะพวกนี้ก็มีใจเหมือนกับมือประมึกแล้วนะไปเที่ยวเกาะเที่ยวดึงมาเรื่อยเนี่ยนะเขเที่ยวสู่เป็นแบบเหมือนกับหวานแหลงไปแล้วก็ดึงเข้ามาเนี่ยนะ กามวิตกส่วนพยาบาทก็คิดแต่เผาคนโน้นทีคิดเผาตัวเองมัง่งคิดเผาคนอื่นมั่งเนี่ยนะคิดสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองมัง่งคิดสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นมัง่งอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกก็คือจองล้างจองผลานคนอื่นอยู่ตลอดเวลาคิดเบียดเบียนคิดประทุษร้ายผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาอันนั้นก็เป็นวิหิงสาวิตกหรือบาปอกุศสลธรรมอย่างอื่นอีกราคาโทสะโมหะเป็นต้นเนี่ยนะเกิดขึ้นแล้วก็ไม่พยายามแก้ปล่อยให้มัน ก็เหมือนว่าคนที่มีใจมีนอนเนี่ยนะใจเป็นนอนอักุศลวิตกกลุ่มรุมแล้วก็ไม่คิดจะผ่าตัดออกก็ปล่อยเนี่ยนะก็ปล่อยเข้าในที่สุดก็เน่าเลยนะเน่าด้วยเน่าดูจากอะไรเน่าศีนบ้างเน่าจากสมาธิเสียศีลบ้างเสียสมาธิบั่งเสียปัญญาบ่างในที่สุดก็หมดสภาพกลายเป็นใจที่ประกอบด้วยอักุศ ล, ลวิตกทั้งหลายเนี่ยนะมันก็น่าสงสาร อันนี้คือพระภิกษุผู้โง่เขลาเหมือนกับนายโคบาลผู้ไม่เขียไข่ค้างภิกษุก็ไม่เขี่ยอกุศลวิตกที่อยู่ในในใจนี่เขแปลว่าขาดความเพียรคือเนื่องจากว่าเขาไม่เห็นว่ากามวิตกมันมีโทษยังไงพยาบาทวิตกนี่มันมีโทษอย่างไรวิหิงสาวิตกมีโทษอย่างไรวันนี้ก็คือไม่ศึกษาทเวทาวิตกสูตรมาใช่ไหมก็ไม่รู้ว่ากามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นแล้วแก่เราเนี่ยนะ